ที่12มีนาคม2538เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องประจัดโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัทธา a ท่านสาธุชนที่เคารพปริบัติในวันนี้ายถึงอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดในส่วนที่ยังผุดข้างๆอยู่ได้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาพิสูจ์ดี ที่เน้นไปก็เป็นเรื่องของอวิชชาซึ่งเป็นความไม่รู้เป็นการกระทำบุญที่เป็นมหากุศลแปดบัวกุศลในระดับชาวบ้านว่าผู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มักย่อมจะมีความอะไรใดี R I I D ในในทุกคือในก็หาทางที่จะกระทำบุญ เพื่อให้ได้สังสาสสรวัตสสรซึ่งในความรู้สึกว่าอยากจะได้สังสารวัตรของบุคคลเนี่ยความจริงนะถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับว่าสัตว์ทั้งหลายเช่นเดรัจฉานหรือคนไม่รู้ธรรมะไม่เคยคิดว่าอยากได้หรือไม่อยากได้เลยแต่ที่ในทางตำราบอกว่าเพราะไม่รู้สังสารวัตรคือไม่รู้อริยสัจสี่จึงพิสมัยในสังสารวัต และจึงทำกรรมต่างๆเพื่อให้ได้สังสารวัโดยปริยายแห่งสภาวะกล่าวคือการที่บุคคลพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายพอใจในสิ่งที่เนื่องโดยตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสังสารวัตรทั้งนั้นและก็จะเห็นว่าใ น, ในโลกนี้มันเป็นเรื่องแสวงหาสังสารวัตคือแสวงหาตัวเองทาตัวเองให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เท่าที่ตัวเองเข้าใจชีวิตแค่ไหนอย่างไรเราก็พยายามจะทําตัวเองให้เป็นอย่างนั้นเข้าถึงความเป็นอย่างนั้นเท่าที่เราเข้าใจนะฮะเหมือนว่าเราเนี่ยเราอาจจะไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราอย่างน้อยทั้งมนุษย์ทั้งเดรัจฉานก็มีความต้องการเหมือนกันอย่างหนึ่งว่าต้องการจะให้ตัวเองนั้น หลอดโลกปลอดภัยต้องการจะให้ตัวเองนั้นมีความสวยงามต้องการจะให้ตัวเองนั้นมีความแข็งแรงต้องการจะให้ตัวเองนั้นอยู่สบายมีอาหารและประทานมีปัจจัยสีเป็นเครื่องอยู่เพื่อเห็นแก่ความอยู่สบายตามวิสัยของธรรมดาของปูุ้ชนถึงไม่เด้นแปลว่าอาศัยเป็นปัจจัย ในลักษณะที่เป็นบาดแก่ความเจริญในธรรมนั่นก็เป็นอี่งานหนึ่งนะฮะเป็นถือว่าเนื่องโด้วยวิชาอีกระดับหนึ่งเหมือนกันเฉะนั้นอาการต้องการอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องของสังสารวัตรและถ้าเป็นชั้นสูงขึ้นไปสําหรับคนที่เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องการเกิดใหม่วิธีที่จะให้เข้าถึงการเกิดใหม่ด้วยกรรมอย่างไรก็ความยินดีตีดใจมันก็มากขึ้นมันก็เละเอียดขึ้นน ะ, ะละเอียดขึ้นก็หาทางจะทํากรรมเพื่อสนองความ บรร ล, ลุผลซึ่งฐานะของอัตภาพหรือสังสารวัฏในระดับนั้นอันนี้เป็นการกล่าวสรุปโดยประการอย่างรวมๆแม้คนที่ทำฌานผมจะพูดต่อเนื่องไปถึงอนเนญชาวิสังขารตนไปก็ด้วยเลยเพราะว่าลักษณะร่วมกันตรงที่เป็นกุศลเหมือนกันยิยงแต่ตำราในมาแบ่งกุศลเป็นสองระดับ ระดับปุญญาพิสังขารกับอาเนชาพิสังขารแต่ในทางอธิบายเนี่ยพูดด้วยกันได้ว่าคนที่ทําฌานให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกพิสมัยในสงสารในอีกระดับหนึ่งเท่านั้นเองไม่เบื่อหน่ายคือเขาเลือกตั้งข้อลังเกียจสงสารในเบื้องต่ําแต่พิษสมัยสงสารในเบื้องสูง แล้วก็รู้ว่าสงสารในเบื้องสูงจะพึงได้ด้วยประการใดเขาก็ทําประการนั้นเพื่อให้ได้อย่างนั้นอเหมือนกับเราเนี่ยเราเวลานี้เรารู้ว่าเดรัจฉานไม่ดีเราก็ไม่พิสมัยไม่ต้องการสภาพความเป็นอย่างนั้นแต่คนที่เกิดเป็นเดรัจฉานแล้วไอ้ความนึกคิดความต้องการและการสนองตอบความประสงค์ของเขาเพื่อให้บรรลุผลนั้นๆเขาก็คิดเห็นอย่างเท่าที่ระดับ อวิชาของเขาจะพึงอุดหนุนให้กระทําแต่ในในอย่างการณีของเราเนี่ยบางทีมันก็หลายๆระดับปนกันก็เรียกว่าเราเนี่ยมันเหมือนกับมีวิญ ญ, ญาณเดรัจฉานขอโทษนะมีวิ ญ, ญญาณเดรัจฉานเกิดขึ้นเป็นบางความรู้สึกมีวิ ญ, ญญาณยักษ์เกิดขึ้นเป็นบางความรู้สึกมันแย่งชิงกันอยู่มีวิ ญ, ญญาณของเทวดาเกิดขึ้นในบางความรู้สึกมันก็ทําให้เราเนี่ยเกิด ความต้องการเกิดพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการนั้นแตกต่างกันไปเพราะว่าวิชาเนี่ยมันอาวิชาบางทีมันมีสูงมีตม่ำเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามระดับเราก็มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่เป็นกรรมแตกต่างกันไปในทางบุญนะนี่พูดถึงว่าในทางบุญนี่ยต่างกันไปอย่างนั้นอยีกระดับที่เป็นพวกที่ทำอรูปฌานเขาก็ออมีระดับ อวิชาที่ละเอียดอ่อนขึ้นก็ลังเกียจสงสารในเบื้องต่ำสแสวงหาสงสารในเบื้องสูงซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ในหลักทางศาสนาก็ถือว่าเป็นไปด้วยอำนาจของความที่บุคคลเหล่านั้นมีอวิชาครอบงาอยู่เหมือนกันต่างกันที่ระดับทเท่านั้นเอง นี่คือบทอธิบายร่วมกันตรงนี้คือยังอยู่ในข่ายครอบของอวิชชาที่ต่างระดับกันกุศลกรรมที่ทำจึงแตกต่างกันอนนี้มันมีกุศลชนิดหนึ่งนะที่ผมแสดงเน้นเป็นพิเศษแยกเป็นพิเศษอยู่ตัวหนึ่งบางทีท่านจะหนาจะนึกไม่ออกคืออภินยากุศลหนึ่งอภินยากุศลนั้นคืออะไร และเกิดจากอาวิชชาได้อย่างไรกุศลตัวนี้เป็นกุศลพิเศษคืออาภิญญากุศลเนี่ยพูดถึงองค์ธรรมแล้วมันก็คือรูปประชานชั้นสูงรูปปัจจนกุศลชั้นสูงที่มีความมุ่งหมายพิเศษมุ่งหมายพิเศษหมายถึงมุ่งหมายที่จะรู้อะไรเป็นพิเศษ มู่หมายที่จะทําอะไรให้ได้เป็นพิเศษอย่างกติวิสัยของผู้ที่ทําอภิญญาจะิญเพราะมันมีอยู่สองอย่างอาภิญญากิริยาอาภิญญาของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์เวลาทําอภิญญาเพื่อรู้อะไรเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อรู้อะไรด้วยอํานาจของความครอบงําของอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัย คือพระอรหันต์เวลาท่านประสงค์จะรู้อะไรนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับรู้ด้วยความพิดสมัยในความรู้นั้นคือด้วยความติดด้วยความหลงในความรู้นั้นคือผูดดีีว่าพระอรหันต์ที่ท่านรู้อะไรเนี่ยไม่มีความหลงในความรู้นั้นไม่มีความอยากทั้งโดยตัวความรู้นั้นหรือสิ่งที่ความรู้นั้นรู้ ความรู้ของท่านจึงเป็นกิริยาและอวิชชาไม่ครอบงำจึงเป็นกิริยาอภิญญาส่วนกุศลอภิญญาเนี่ยเป็นอภิญญาของปู่ตืชนเรานึกดูง่ายๆก็แล้วกันว่าเวลาที่เรารู้อะไรตามวิสัยปู่ตชนเนี่ยมีความอยากเข้าไปปนหรือไม่มีความโง่าบางอย่างความหลงบางอย่างเข้าครอบงำอยู่หรือไม่ ไอ้ที่เรายังติดยังเพลิดเพลินในความรู้นั้นอยู่ก็เพราะว่าเรายังมีความหลงอยู่เราจึงยังติดยังเพลิดเพลินอย่างที่เราพูดกันอย่างสงสัยว่าทำไมรู้อย่างนี้แล้วจึงยังหลงจึงยังติดที่พูดอย่างนี้นะพยายามที่จะตั้งปัญหาด้วยความรู้สึกของผู้ที่เข้าถึงความรู้สมบูรณ์ที่พ้นจากอวิชชาเอามานึก เอามาพูดเอามาตั้งปัญหาแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าจะตอบให้อย่างถูกตรงสภาวะเรื่องปฏิจจากแล้วก็บอกว่านี่แหละเป็นธรรมดาติดน้อยก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่คนนั่นเป็นธรรมดาที่จะต้องติดเพราะอะไรเพราะความรู้นั้นยังไม่พ้นจากอาวิชชาอาวิชชา ย, ยังเป็นปัจจัยอยู่ความรู้นั้นสาเร็จจากอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงยังคงหลงคงติด ยังมีเงื่อนงำมาพูดไงว่าความรู้นะั้นยังมีเงื่อนงําของความไม่รู้อยู่ผลจึงออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วก็พฤติกรรมของผู้แสวงหาความรู้และมีความรู้อยู่บ้างเนี่ยจึงมีมุมโง่นะพูดไงว่าความรู้ของอย่างปุถุชนยมีมุมโง่หลบเป็นมุมหลบหลีอยู่ทุกคนเลยครับ โง่เลืองอะไรก็คือโง่ในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองคิดว่ารู้นั่นแหละและเรารู้ได้ไงว่าโง่ไม่รู้ดูได้จากสิ่งที่เป็นข้อกำหนดได้ความพิสมัยในความรู้นั้นด้วยความกำหนัดเนี่ยคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นรูปของความโกรธบ้างเมื่อมีใครเขาไม่เห็นด้วยกับตัวหรือขัดแยง้งกับความรู้ของตัว ก็เกิดความรู้สึกกระตุกกระเทือนมันอาจจะมีไอ้ขีดขั้นต่างกันนะแต่ว่าปุทุชนแล้วต้องมีถ้าพูดไปกระทบขีดขั้นนั้นเข้าต้องมีต้องรู้สึกไม่ชอบใจแล้วก็มีความรู้สึกอื่นๆที่เป็นผลพวงตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดแก่งแย่งอย่างที่รุตเจ้าท่านว่าไวา้พูแก่งแย่งเพื่อ แสดงว่าสิ่งที่ตัวรู้นั้นถูกแท้โดยสิ้นเชิงหรือถูกแท้กว่าคนอื่นก็ดีหรือความกำหนัดว่าอยากจะให้คนอื่นรู้อย่างตัวก็ดีซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยพระอรหันต์ท่านไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่มีซึ่งเป็นเป็นความรู้สึกที่เราพออนุมานได้อนุมานได้จากไหนอนุมานได้จากอ่ ระดับจิตของเราในขั้นต่ำๆในบางระดับที่เราพ้นแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะนึกโอ้ถ้าถ้าเป็นปลาหลานเนี่ยไอความรู้สึกอย่างนี้ท่านไม่มีเงื่อนไขแต่ของเราเนี่ยมีเงื่อนไขตามระดับภูมิปัญญาของเราเราถึงรู้สึกติดขัดทุกทุกคนไม่เว้นเลยบุตุชนเรื่องนี้นะตามสังเกตตามพิสูจน์ได้ ถึงจะว่าเย็นถึงจะว่าไม่ยึดไม่ติดอย่างไรอย่างไรเนี่ยมันก็คือพูดได้ไม่ไม่ติดในระดับบางระดับแต่ว่าเบื้องสูงนั้นบุตุชนต้องมีจุดติดทั้งนั้นเลยมีจุดความไม่รู้เพราะว่าหลักอวิชชาเนี่ยบอกว่าหลักวิชาเนี่ยว่าถ้ารู้แล้วไม่ติดนะรู้แล้วไม่ติดสิ่งใดที่รู้เนี่ยรู้แค่ไหนไม่ติดแค่นั้น และเมื่อรู้แค่นั้นอวิชาก็ไม่เป็นปัจจัยให้แก่ความอย่างรู้ในระดับแค่นั้นพรายกตัวอย่างเช่นว่าเป็นพระโสดาบันเนี่ยอวิชายังมีแต่พระโสดาบันนั้นจะไม่ติดในโสดาปฏิมักด้วยกิเลสด้วยตัณหาไม่ติดโสดาปฏิผล ไม่ปลาลบองคุณของโสดาปฏิผลด้วยความติดแม้ว่าใครจะมาด่าว่า ย, าย่ำยีมาตั้งข้อสงสัยว่าท่านเป็นโสดาบันจริงหรือโสดาบันของท่านอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือไม่จริงละมั้งต่างๆอย่างนี้ก็จะไม่รู้สึกกระทบกระเทือนเลยเพราะว่าท่านพ้นจากอวิชชาในระดับ ที่ท่านถึงแล้วได้แล้วข้อจำกัดต่ออวิชาของท่านหมดแล้วทีนี้เรามานึกดูว่าคนที่เขาทำอภินยาอุสนให้เกิดอย่างวิสัยพุตรชนเนี่ยมันพกกิเลสเข้าไปเกี่ยวแล้วก็เกิดจากแรงบันดาลใจของอวิชาอย่างไรนะบางทีเห็นชัดๆผมถามว่าอย่างเราเนี่ยถ้าเราเกิด สามารถจะทำตาทิพย์ได้เอางี้ด้วยกันว่าเราอยากมีตาทิพย์ไหมยอย่าบอกผมว่าไม่อยากนะอยากมีหูทิพย์ไม่อยากอยากมีเจโตรู้ใจคนอื่นไม่อยากเรื่องที่เราอยากเนี่ยเราอยากเพราะมีความรู้สึกว่าหน้าเบื่อหน่ายเหลือเกินเรามีตาทิพย์เราจะได้เบื่อสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างทั้งละเอียดทั้งหยาบให้มันจับใจมากขึ้นรู้อยากจะรู้เนี่ยตาทิพย์ว่าเออ หวยจะออกงดอะไรอนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังสารวัตนะหรือพูดให้มันเข้าใจเขาให้มันแทงใจดําเขานะให้เขาเกิดความเชื่อถือสารพัดที่มันเรื่องมันจะมีสิ่งต่างๆนี้เข้าไปแฝงปนเป็นชั้นๆๆไปและถึงแม้ว่าในระดับสูงกว่านี้หรือว่าอยากจะรู้เจโตจะได้พูดให้มันเข้าใจเขาให้มันแทงใจดําเขานะ ให้เขาเกิดความเชื่อถือสารพัดที่มันเรื่องโลกธรรมปรากาลชื่อเสียงมันจะมีสิ่งต่างๆนี้เข้าไปแฝงปนเป็นชั้นๆๆๆไปและถึงแม้ว่าในระดับสูงกว่านี้ก็ไม่พ้นอวิชชาเช่นว่าเราจะได้กำหนดรู้จิตคนอื่นเพื่อพัฒนาธรรมของเรากำหนดรู้จิตภายในกำหนดรู้จิตภายนอก ซึ่งเป็นกุศลชั้นสูงหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็เนื่องโดยอวิชช า, าด้วยอวิชชาตรงที่ว่าเราเองมีความกําหนัดในคุณธรรมคือที่เราเรียกว่าอยากเก้พ้นทุกข์ไออยากจก้พ้นทุกข์เนี่ยถ้าเป็นความรู้สึกอย่างจริงก็เป็นเป็นกิเลสและคนถ้ายังอยากเก้พ้นทุกข์อยู่นั้นยังไม่รู้ทุกข์จริง ึงอยากยิ่งอยากมากก็คือยิ่งไม่รู้ไม่รู้จริงมากแต่คนรู้จริงแล้วมันมันก็อยากคนทุกข์แต่ไม่ใช่โดยความรู้สึกที่เป็นตันหาไม่เล่งร้อนจนเกินเหตุคือค่อนข้างจ ใ, จใจเย็นกว่าแล้วก็ไม่ไม่มีอาการร้อนลนซึ่งไอพ้พฤติกรรมจะออกมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มจ ะ, สะแสวงหาปีญญา ในวิสัยบุุ้ชนที่ยังเป็นกุศลอยู่เนี่ยเขาก็จะมีข้อปราลบซึ่งฉีกออกมากำหนดดูเป็นส่วนๆแล้วมีอิเลชเข้าไปปนทั้งนั้นมีอวิชาเข้าไปเป็นเหตุปัใจจัยให้อย่างเห็นๆกุศลนี้จึงเกิดขึ้นจากอาวิชาเป็นปัจัยเรียกว่าเป็นกุศลอปิญยา เป็นกุศลอวิญญาเรียกวิญญากุศลนี่ก็แยกเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาก็เลยเห็นได้ชัดว่าเราทำบุญทากุศลเราสแสวงหาสแสวงหาวัตถุ ก, กรรมสแสวงหาคติสแสวงหาอัตภาพเนี่ยกุศลทุกชนิดเนี่ยนะที่หวังผลในทางในทางผลได้จากกุศลเนี่ยคือวัตถุกรรมคืออารมณ์ต่างๆ ที่น่าชอบใจที่ถูกใจเป็นประโยชน์แก่ตาข้าบเราแสวงหาตาข้าบแสวงหาคติขนี่อันหนึ่งในอันหนึ่งคือสแสวงหาภูมิรู้สแสวงหาภูมิรู้ด้วยความรู้สึกยังพิษสมัยในความรู้นั้นตะุทธเจ้าถึงแสดงคู่ที่เล่นกับความรู้อย่างไม่มีอวิชาเกี่ยวข้องหรือถึงที่สุดแห่งการถอนอวิชาไปจากความรู้นั้นยังเด็ดขาดว่า แม้แต่กุศลซึ่งท่านหมายถึงยานปัญญาก็เป็นสิ่งพึงละไม่ควรติดจะป่วยกล่าวไปใ ย, ยถึงอากุศลเล่าไม่ติดความรู้จริจรงๆที่เราพูดอะไอเราก็พูดได้ในบางระดับเราไม่ได้พ้นเงื่อนไขนี้โดยประการนั้งปวงอะแต่โดยหลักเบื้องสูงของการพัฒนาความรู้ทางพุทธศาสนาเนี่ย ต้องพัฒนาให้พ้นจากการครอบนำของอวิชชาจึงจะสลัดความติดในสังสารวัตรและพ้นจากสังสารวัตรได้อย่างแท้จริงเอง น, นี้ผมก็ว่าถึงในส่วนที่เป็นกุศลรวมรวๆกันไปอย่างนี้คราวนี้จะลงมาพูดถึงอกุศลอวิชชาเป็นปัจจัยแก่กุศลที่เรียกว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่อปุญญาพิสังขาร อบุญยาพิสังขานั้นคืออกุศลจิตสิบสองความจริงอกุศลสิบจิสบสองเนี่ยอวิชามันก็เป็นหนึ่งในอกุศลจิตสิบสองแล้วทําไมถึงเอาเฉพาะอาวิชาออกมาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดบุญเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดบาปก็โดยค ว, วามว่าธาตุลงนี้เนี่ยอาวิชาเป็นปใจใัจจัยเกิดอวิชาด้วยอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลตัวอื่นๆด้วย จึงถือว่าอาวิชชาเป็นมูลความไม่รู้ในความไม่ตราสรู้อริยสัจสีเนี่ยเป็นมูลและที่เป็นมูลให้เกิดอกุศลนั้นถือว่าเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอย่างป่าเถื่อนที่สุดคือตัวนี้ร้ายแรงที่สุดคือตัวนี้เป็นผลเสียหายอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดคือตัวนี้ไม่มีส่วนดีไว้ให้ชื่นอกชื่นใจบ้างเลยเหมือนอย่างกุศลนะะ ผู้สที่ยังมีผลให้ชื่นโอเคืนใจบ้างที่ว่ า, ายังมีการแบ่งส่วนบ้างอะแบ่งส่วนคือไม่ใช่เอาหมดคือไม่ใช่ทำลายให้เกิดเสียหายหมดแต่คืออวิชาเนี่ยตัวเองมันเลวด้วยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งเลวโดยเต็มบริบูรณ์ด้วยอันนั้นแหละ คือข้อที่กล่าวว่ า, าวิชาเป็นเหตุให้เกิดอาปุญญาพิสังขารอาวิชชาที่เป็นเหตุให้เกิดบุญเนี่ยบุญทุกระดับเนี่ยอวิชชาเป็นสิ่งเลวแต่ทำให้เกิดสิ่งดีนะฮะสิ่งดีแต่ว่ามันก็มีส่วนดีส่วนไม่ดีคือเป็นส่วนคนละครึ่งคนละส่วนกันอย่างที่ว่ากาวที่แล้วนะฮะ เ, เราเ้ามาดูว่ า, าวิชาเป็นเหตุให้เกิดอปุญญาพิสังขารที่เราพูดเป็นอย่างรวมๆกันไป ว่าบาปหรืออาบุญเนี่ยมันมีบาปหยาบบาปกลางบาปละเอียดแตกต่างกันเหมือนบุญเหมือนกันบุญนึ่งก็เป็นไปในส่วนสูงนะฮะหยาต้นกลางปลายบาปมันก็มีต้นกลางแล้วก็ลึกสุดคือต่ำสุดกำลังแตกต่างกันไป ก็อยู่ที่กําลังของอวิชชาและแรงเกื้อกูลของกุศลที่ตั้งสมเป็นอุปนิสัยปัจจัยด้วยตรงนั้นเราก็ยังไม่ว่ากันถึตรงนี้แต่จะพูดให้เห็นว่าอาวิชชาที่เป็นเหตุให้เกิดอุญญาพิสังขาร น, นั้นด้วยาการณีสามอย่างสามกลุ่มในแง่ของปัจจัยกลุ่มที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งก็คือ อวิชาเข้ามาครุกคลีตีโมงอยู่กับบาปนั้นเลยอวิชาในในขณะจิตบาปนั้นแหละเป็นปัจจัยแก่บาปในขณะนั้นก็เรียกว่าร่วมขณะบาปนั้นเกิดขึ้นด้วยอวิชาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นกรณีหนึ่งที่ใช้คำว่าร่วมขณะเจ็ดเจ็ดคือหมายถึงเจ็ดลักษณะของปัจจัย ซึ่งผมจะไม่พูดเป็นรายละเอียดทั้งหมดให้พูดได้ส่วนหลักๆให้ให้พอเข้าใจคร่าวๆก่อนเท่านั้นอีกกรณีหนึ่งก็คืออวิชชาเป็นเหตุให้เกิดบาปต่างขนาดกันหมายความว่าอาวิชชาก่อนเป็นเหตุให้เกิดบาปหลังอย่างนะเรียกว่าต่างขนาะดไม่ใช่อวิชชาในจิตบาปนั้นเป็นเหตุให้เกิดบาปนั้นเรียกว่าต่างขนาดจิตและอีกกรณีหนึ่งก็คือ อวิชาเป็นเหตุให้เกิดบาปโดยความเป็นอารมณ์สามการณีอารมณ์ก็คือเป็นแรงร้าวแรงกระตุน้นอันนี้คือส่วนหลัหลกๆเอาละนี่จะว่าอธิบายก็เสียดายวันนี้ไม่มีอุปกรณ์ฉายให้ดูนะเราต้องพูดโดยปากไอ้สองกรณีแรกเนี่ยครับ เป็นกรณีที่แน่นอนแน่นอนหมายความว่าอาวิชชาที่เป็นเหตุให้เกิดบาปเนี่ยต้องเกิดในสองกรณีนั้นแน่นอนส่วนกรณีหลังเนี่ยไม่แน่เอาพูดถึงกรณีหลังซะก่อนกรณีหลังคือกรณีที่เป็นอารมณ์เวลาที่บุคคลใดเกิดอกุศลลจิตใดๆอยู่ แล้วก็นึกถึงอวิชชาทำอวิชชาให้เป็นอารมณ์ปลาลบอวิชชาขณะนั้นน่ะอกุศลแลจิตนั้นชื่อว่ามีอวิชชาเป็นอารมณ์ในแง่ปัจจัยกล่าวว่าอาวิชชาที่เป็นอารมณ์แก่อกุศลนั้นแหละชื่อว่าอาวิชชาเป็นอารมมณปัจจัยให้เกิดอากุศลอวิชชาปัจเจยา อาพุนยาสังขาราโดยความเป็นอารมณะปัจจัยคือเป็นที่นึกถึงทำให้เกิดบาปคือการที่เรานึกถึงอวิชชาเนี่ยนึกถึงด้วยปัญญาก็มีนึกถึงอวิชชาแต่ว่าเกิดปัญญาอย่างคนที่จเจริญสติจเจริญสัมมาจัญญา ก็กำหนดดูอวิชชาเวลาโมหะเกิดก็รู้ว่าจิตของเรามีโมหะก็ดูไปมันเป็นยังไงการมีนี้กลายเป็นว่าอาวิชชาเป็นเหตุเป็นอุปกรณ์ของปัญญาที่เราพยายามจะสร้างขึ้นในเบื้องต้นแล้วพระอรหันต์ท่านก็นึกถึงอวิชชาแล้วท่านจะแทงทะลุอวิชชาอย่างแท้จริง อันนั้นก็เป็นกรณีที่ผม ก, กล่าวว่าอาวิชชาเป็นอุปกรณ์ของปัญญานั่นอันหนึ่งนะแต่ในอีกกรณีหนึ่งคนที่นึกถึงอวิชชาอยู่จิตเป็นอกุศลอยู่อันนี้แหละมันเป็นเข้าลกักษณะที่เรียกว่านึกถึงอวิชชาแล้วก็เกิดอวิชชาซ้ำหลังเขาอีกเหมือนคนนึกถึงความโกรธแล้วก็โกรธซ้าเขาอีก มีความโกรธที่มีความโกรธเป็นอารมณ์นึกถึงแล้วก็พอความโกรธเขาอีกอากุศลที่นึกถึงเอานึกถึงอวิชชาด้วยอากูศลเนี่ยนั่นคือการเพิ่มพูนอากุศลด้วยเพิ่มพูนอวิชชาด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อากูศลสังขารโดยเป็นอารมณ์อย่างนี้วิธีแก้ ก, ก็แก้อย่างตรงกันข้ามเมื่อกี้คือต้องพิจารณาอวิชชาด้วย ปัญญาอย่านึกถึงอวิชชาด้วยอกุศลมันจะโง่ซ้ำหนักเข้าไปอีกนี่คือลักษณะของความเป็นอารมณ์นะทีนี้อารมณ์เนี่ยเขาก็แบ่งเป็นอารมณ์ธรรมดาคือนึกไม่แรงก็เป็นอารมณ์ธรรมดาแต่ถ้านึกอย่างแรงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอารมานานิปติหรืออารามณูปนิสยะผมต้องพูดแล้วก็ต้อง พูดให้ทันละความสนใจเป็นเชิงหลักการเลยมากฟังเอาเนื้อความนะฟังเอาเนื้อความว่าคนที่นึกถึงอวิชชาซึ่งความจริงมันก็อวิชชาอยู่ในอกุศลจิตสิบสองนะหรือพูดเป็นอย่างการรวมๆก็ว่าเมื่อคนเกิดอกุศลจิตสิบสองขึ้นแล้วนึกถึงอกุศลจิตสิบสองที่เกิดแล้วผ่านมาแล้วแล้วก็นึกถึง คือนึกถึงอกุศลได้จิตเป็นอกุศลเนี่ยมันขัดทุนอย่างเดียวเลยพอกพูนอกุศลด้วยวิธีนี้เป็นการพอกพูนอกุศลด้วยวิธีนี้ซึ่งไอ้กรณีอย่างนี้นะเป็นกรณีปกติของชาวโลกที่เล่นกับอกุศลด้วยอกุศลก็ละอกุศลไม่ได้ใช่วิธีละอกุศล้วยการ ปลาลบถึงอกุศลด้วยจิตเป็นอกุศลปลาลบความโกรธได้จิตโกรธละความโกรธไม่ได้ปลาลบความโลภโดยความโลภละความโลภไม่ได้ท่านจึงใช้มีคําพูดว่าบุคคลไม่อาจละจิตกําหนัดด้วยจิตกําหนัดบุคคลไม่อาจละจิตประทุสลายด้วยจิตประทุสลายบุคคลไม่อาจละจิตโง่เขลาด้วยจิตโง่เขลา ะมีเป็นคําพูดในพระไบรปิดกพูดว่าเัินก็ไม่แปลกเลยที่บางคนบอกว่าเอ๊ะฉันโกรธฉันก็รู้ว่าโกรธฉันโลภฉันก็รู้ว่าโลภก็ไม่เห็นจะต้องไปกําหนดในสานักคนเมื่อะไรที่พระพุทธเจ้าพยาบอกว่าเมื่อโลภ ก, ก็รู้ว่าโลภเมื่อโลภก็รู้ว่าโ ก, กรธเนี่ย ท่านหมายความว่าให้รู้ด้วยจิตที่เป็นกุศลมันจึงมีผลในทางคืนคลายแต่ชาวบ้านดี่เขาเถียงที่เขาไมาก่กระจายสภาวะจิตเขาเถียงในแง่ของรู้ด้วยจิตที่เป็นอกุศลแล้วก็เขาก็เถียงต่อไปว่าเอ๊ะก็รู้ฉันโกรธนั่นก็รู้ก็มันก็ไม่เห็นหายเวลาไปสั่งสอนว่าเนี่ยจิตโกรธนี่เขาก็รู้แต่ทําไมมันไม่หายอ่ะทําไมไม่ละ ความโลภ ค, ความโกรธนั้นไอ้คนไปเที่ยวกระโม่ข้าวของกรรก็รู้จิตเป็นยังไงใช่ไหมคอยระวังจิตรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรทําไมจะไม่รู้ความต้องการของตัวไอ้คนผูกพยาบาทมันก็ตามที่กําหนดความโกรธของตัวเองความเียบแก้งตัวเองที่ผ่านผ่านมาด้วยความนึกคิดใหม่ๆแต่ยิ่งคิดมันกลับเป็นยิ่งว่ายิ่งคิดถึงความแค้นยิ่งแค้นใช่ไหม ยิ่งคิดถึงความติดความยึดยิ่งยึดทำนองเดียวกันยิ่งคิดถึงความโง่ด้วยความโง่ก็ยิ่งโง่มันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการละนี่เป็นความพอกพูนเป็นความป่าถืขอนของปัิดจ่ตรงจุดนี้อันนี้ในแง่ของอารมณ์นี่ผมพูดในแง่ของอารมณ์ยิ่งคิดแรงก็พอกมากคิดเบาก็พอกน้อย ที่ผมพูดกล่าวที่แล้วแล้วก็มีคำถามสวนขึ้นมาไม่ใช่สวนบนนี้นนแต่วนสวนข้ากลางว่าที่พระเจ้าตรัสว่าถ้าคนที่รู้ว่าตัวเองโง่เนี่ยฉลาดไดร้รู้ว่าตัวเองเลวเช่นรู้ว่าตัวเองโกรธหายโกรธได้ไอไ้คาว่ารู้เนี่ยไม่ต้องหมายถึงรู้ด้วยจิตอะไรนะอย่างที่ว่าเขาว่าที่อธิบายมาเมื่อกี้ แต่ถ้าไม่รู้่ตัวเองโง่ไม่รู้่ตัวเองเลวก็ดีไม่ได้เลยทีนี้คำถามสัวนก็คือว่าในกรณีที่คนโง่ชั่วแล้วก็ไม่สานึกเนี่ยไม่รู้สานึกเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องดักดานอยู่งั้นชั่วกับชั่วการกี่พกกีชาติดีไม่ได้เลยหรือผมบอกไม่ใช่อย่างนั้นท่านรับประกัน่าถ้าความรู้สึกรู้ยังไม่ปรากฏตราบใด เขาก็ยังฉลาดไม่ได้ตราบนั้นยังดีไม่ได้ตราบนั้นจริงนะเหมือนคนบ้านเทียบกับคนบ้านไม่รู้คุณค่าของจิตตัวเองตราบใดเขาก็ยังมีสติสมัมปชัญญะคืนไม่ได้ตราบนั้นเราปู้โดยชนเนี่ยเราไม่รู้แจ้งในความโง่ของเราตราบใดสิ้นเชิงตราบใดเราก็ละความโง่ไม่ได้เป็นอรหันต์ไม่ได้ตราบนั้น เรารู้ได้ในระดับใดแค่ใดเราก็ถอนความโง่ละความโง่ชั่วคราวได้ขั้นนั้นระดับนะอย่างที่พูดย้ามาหลายครั้งแล้วอ่ทีนี้ก็มาดูอีกจุดหนึ่งคือจุดที่เรียกว่าร่วมขณะร่วมขณะนี่หมายความว่าเมื่อบุคคลเกิดอกุศลลจิตอยู่ขณะนั้นอวิชามีในจิตนั้น อวิชชาที่ปกปิดจิตตสันดานของสัตว์เนี่ยผมได้เคยบอกแล้วมันปิดทั้งในขณะที่มันปรากฏตัวแล้วก็ปกปิดทั้งในขณะที่มันไม่ได้ปรากฏตัวเช่นขณะนี้เราเกิดกุศลจิตไม่มีอวิชชาปรากฏตัวใช่ไหมะแต่ถามว่าเราถูกอวิชชาปิดอยู่ไหมปิดถามว่าอวิชชาที่ปิดเราเนะี่ยมันเป็นอวิชชา ปัจจุบันที่ปรากฏหรือบอกไม่ไช่เป็นอวิชชาในอดีต ท, ที่มันเคยปรากฏมาหลายครั้งแล้วมันก็ทําคล้ายๆว่ามันทําฉนวนปิดจิตลราไว้กั้นจิตลราไว้ไม่ให้กระแสธรรมเข้าไปกระแสปัญญาเกิดขึ้นเราถึงเกิดกุศลจิตยอยู่ก็ทะลุอริยสัตว์ไม่ได้เนี่ยเพราะอาวิชชาที่เคยเกิด ขณะนี้ยังไม่ปรากฏมันทำอำนาจปกปิดไว้เป็นปรกตูวิทยาปัจจัยเป็นพลังอันแน่นเหนียวการละถอนอวิชชาเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ว่าทำไม่แหวิชาปรากฏเท่านั้นเราจะพ้นจากเงื่อมือวิชาต้องหมายก็ว่าทำลายปกติปัจจัยของมันด้วยพลังส่วนนี้ของมันให้ขาดจึงจะ คนจากการครอบนำของอวิชชา น, นี่ก็ว่าต่อว่าในขณะที่คนเกิดอกุศลจิตเนี่ยพลังของอวิชชาสองส่วนเข้ามาแน่ๆเลยครับไม่ว่าคนนั้นจะนึกถึงอวิชชาอยู่ด้วยความโกรธโกรธหลงหรือไม่ก็ตามอาวิชามันจะปิดสองอย่างคือหนึ่งปิดด้วยอำนาจปกติปัจจัย คือไอแรงบันดาลใจไอพลังเคยชินที่ตัวเองสะสมไว้มันคล้ายๆว่าคนเมาเมาจนไม่ขนาดทิ้งวงมาแล้วลุกจากวงมาแล้วถามว่าพราะเขาลุกจากวงหายเมาเป็นป็ิทิ้งเลยหรือว่ายังไปเมาต่ออีกเป็นนานยังไปเมาต่ออวกแตอ ก, แตกอ้วกแตนอยู่เป็นนานเช้าขึ้นมักงเสี้ยงไม่ส่าง ยังบอกว่ามาถอนความจริงไม่ได้ถอนนล้ซ้ำเติมเพราะนั้นอวิชาเราเนี่ยถ้าขณะที่เรากำลังเสพเหมือนเสพเหล้าอยู่เนี่ยนั่นคืออวิชาปรากฏตัวนะอยู่ในบรรยากาศขังกวดเหล้าแก้วเหล้าเพื่อนโล่วมวงอคุณสต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะกุศลจิตนั้นแล้วเมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ย อวิชาไอเหมือนกับไอแอลกอฮอลที่มาอยู่ในสรีละเราแล้วถึงเราจะลุกไปอยู่ที่ไหนหลับตาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมธารมท่าสมาทานศีาานหมผ้าเฉวียงบาถ่าฤทธิเล่านะเหมือนฤทธิอวิชาประตูนิเสยปัจจัยไม่สิ้นไปจากกระเพาะหรือในสรีละหรือในสายเลือดของเราเราก็ยัง ผูกฤทธิ์เหล้ามันครอบงำอยู่จับนั้นทีนี้ไอเราเนี่ยมันประเภทที่เรียกว่าถ้ากินสักครั้งสองครั้งแล้วก็เลิกกินกันไปเลยมันก็สิ้นฤทธิ์กันไปนะไอฤทธิ์ฤทธิ์ฤทธิ์เหล้าเนี่ยมันอาจจะสิ้นไปตามการตามอายุมันมีเวลาจำกัดแต่อวิชามันไม่สิ้นเพราะเรากินซ้ํากินซากดื่มซ้ําดื่มซากซึ่งเอาวิชานั้นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะ มันก็ไอ้นั่นเพราะไอ้นั่นจ้างไอ้นี่เข้ามาเลยมันเรียกว่าเข้ากระดูดดำเข้ากระดูดดำเลยเรานึกถึงคนเมาเหล้าเนี่ยคนเมาเหล้าเขาดีเขาก็เมาเขาก็ทําบุญก็มีเมาเหล้าแล้วเดินผ่านขอทานให้ขอทานเราไม่เมาอาจจะไม่ให้ก็ได้เจอหน้าพระเขาก็ไหว้พระทั้งที่เขาเมานะถามว่าคนเมาเหล้า เ, ลาเวลาเจอพระแล้วไหว้พระจิตเป็นบุญไหมตอนนั้นอ่ะเป็นครับผมต้องรีบตอบว่าเป็น ดูจากลาดเราแล้วบางทีนี่เป็นแต่บุญนี่มันเป็นบุญถ้าเขาไม่เมาเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่ทบุญบางทีนะนี่พอจะเทียบเอามุมให้มันใกล้ๆกันแต่ที่ทำเนี่ยทาเพราะมึนเพราะเมาไอคนที่ทะเลาะ ก, กันนะตั้งไม่เมาไม่พูดด้วยนะแต่พอเมาเข้าไปแล้วยังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพูดดีทะเลาะพอหายเมาเข้ามาก็โกรธอย่างเดิมอีก ทำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือไอเราเนี่ยมันเหมือนกับไอฤทธิแอลกอฮอล์ออมันอยู่ในหัวใจตลอดไปศกโอกาสบางทีก็เกิดกุศลจิตอย่างเมาเมาเกิดอกุศลจิตอย่างเมาเมาไปตามโอกาสตามจังหวะพูดถึงว่าอากุศลจิตเมื่อเกิดขึ้นนั้นตอนนั้นอวิชาปรากฏตัวด้วยปกปิดจิตนั้นอย่างสนิทแรงหนึ่ง แล้วก็ไอ้ฤทธิ์เก่าซึ่งยังไม่สัางก็ปกปิดอีกแรงหนึ่งจึงเป็นสังขารที่ถูกอวิชชากระทาทั้งปัจจุบันและทั้งอดีต ท, ทั้งในจิตและนอ ก, กจิตนอ ก, กจิตหมายถึงจิตต่างขนาดกันอาการณีที่ทำในจิต ร่วมขนาดกันเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตตาปัจัยอันนี้ขอให้เรานึกเทียบคื อ, นอเนื่องจากอวิชานี่มันเห็นหน้าตายากมันไม่เหมือนโกรธโลภ ม, มันเห็นหน้าตาชัดหน่อยบางทีเราก็ต้องเทียบกับไอ้โลภโกรธอิสามัจจริยาอะไรมันเห็นหน้าตาแต่ไอ้ความหลงเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นสภาวะธรรมเป็นอกุศลตัวมันเองมีลักษณะละเอียดเออก็ กำลังจะพูดให้เห็นว่าให้ท่านนึกถึงเมื่อท่านเกิดอากุศลจิตขึ้นเมื่อเกิดอากุศลจิตขึ้นสภาวะจิตขณะ น, นั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราไปนึกเทียบกับเมื่อเราเกิดกุศลจิตขึ้นเมื่อคนเกิดอากุศลจิตขึ้นความพร้อมรับความดีเนี่ยใดๆเนี้ยไม่มี พูดไง ja? ว่าตอนนั้นนะเป็นสภาวะจิตที่เราเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องตอนนั้นพูดกับตัวเองก็ไม่รู้เรื่องพระพูดก็ไม่รู้เรื่องอ้าไม่เชื่อลองสิค่ะนั่งฟังธรรมมาเนี่ยลองง่วงให้ดูสิรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องลองโกรธให้ดูสิรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องลองคิดวิตกตกังวลถึงบ้านถึงช่อ ง, ถ, ง унд, ถึงนู่นถึงนี่จะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องทีนี้บอกว่าแล้วทําไมถึง ฟังได้แหละเพราะบางทีก็ก็ฉุนฉุนบ้างเหมือนกันแหละบางทีก็กังวลบ้างเหมือนกันทําไมรู้เรื่องล่ะก็เพราะว่าเราไม่ได้เกิดตลอดเวลาล้องเกิดตลอดเวลาที่ผมว่าไม่ต้องตลอดเวลาเราเอาแค่มาฟังชั่วโมงเกิดครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านต้องรับธรรมะไม่ได้ต้องพ่ายแพ้ถ้าเกิดตลอดชั่วโมงเนี่ยไม่มีทางที่จะรับธรรมะได้ไม่มีทางจะเจริญในธรรมได้จริงๆเลย เวลาคนไปสมาทานทัึกษาสีนเจริญภาวนาอา่าวหรือว่าท่านนั่งทํามสมาธิก็ได้ท่านนั่งแล้วมีแต่อกุศลตลอดเวลาหรือเครือบตลอดเวลาใจท่านจะไม่รับธรรมจะไม่ยินดีในธรรมจะไม่ศรัทธาในธรรมจะไม่เจริญในธรรมและจะไปรู้ทุกข์รู้สมูทัยยิ่งไม่ต้องพูดมาสูงเกินไปนี่มันปิดเป็นการเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้น วิธีจะละวิชาเนี้หรืที่ผมบอกมาแล้วในหลักศาสนาว่าจิตจะต้องโปร่งคือเราละ ก, กระตูไม่ได้พูดไงว่าถึงเราจะเอาแอลกอฮอล์ที่มันเข้าเส้นเลือดเข้าการะแสเลือดไม่ออกไม่ได้เนี่ยเราหยุดกินทัตออ น, นั้นได้ไหมไอ้ที่มันอยู่ก็ใมันอยู่ไปแต่อย่า ก, กินใหม่เข้าไปเพราะว่าไอ้การที่เราหยุดกินได้ชั่วคราวนี่ยังพอพูดกันรู้เรื่องแกมะ ออกจากวงเล่ามาซะก่อนเถอะหยุดกินซะชั่วคราวก่อนอยังพอพูดกันรู้เรื่องคือยังมีอาการพอพูดภาษามนุษย์ได้บานะ้างนะแต่เธอยังกินซ้ำเข้าไปด้วยก็ยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งไปกันใหญ่เลยไอ้ตรงนี้แหละครับที่ว่าเมื่ออวิชชาปรากฏตัวคนถึงรับรู้จะเรียรรมอะไรไม่ได้ แม้แต่คนนั้นจะเป็นคนชอบธรรมะหวังธรรมะอยู่เป็นมูลเป็นเบื้องต้นเบื้องหลังเบื้องลึกอยู่ก็ตามแต่จิตลองเป็นบาปขึ้นมาแล้วจเจริญในธรรมไม่ได้มันกวางทันทีจึงพยายามให้หลักของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างว่าต้องรักษาจิตให้เป็นบุญก่อนถึงจะรู้เรื่องอะไรได้เนี่ยคือเราต้องสลัด แก้วเล่าซะก่อนต้องหยุดอวิชชาไม่ให้ปรากฏตัวก่อนเราถึงจะพอรู้อะไรต่อตปต่อไได้บ้างก็ยังดีแล้วค่อยๆไปนํำฤทธิ์ของอวิชชาออกจากสันดานในส่วนอื่นต่อเพราะฉะนั้นอาปุญญาพิสังขารเมื่อเทียบกับสังขารฝ่ายบุญเนี่ยจึงว่าสังขารฝ่ายบุญนั้นใช้เป็นประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ได้ คือยังมีเปอร์เซนต์ที่เป็นประโยชน์กับเราบ้างแต่สังขารฝ่ายบาปเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นประโยชน์แกเราเลยกับซ้ำเติมลราให้ตกต่ํามืด บ, บอดลงไปมากยิ่งขึ้นแล้วก็สัตว์ที่ถึงความมืด บ, บอดอย่างอากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เพออาะอวิชชาให้หยาบขึ้นอากุศลต่อไปก็หยาบขึ้น เลยเป็นว่าโอกาสที่กุศลจะเกิดเลยเกิดยากยิ่งขึ้นไปด้วยเลยเรานึกอย่างนี้กัละการอย่างเดลฉานเนี่ยอบรยะตัดทั้งหมดเนี่ยนะมีจิตเป็นปกติด้วยอากุศลสังขารใช่ไหมฮะทำไมล่ะก็เพราะว่าอาวิชชาที่เขาสร้างสมมาเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องก่อนเนี่ยมันครอบงำไว้เป็นอย่างดีเพราะไอ้ความเฉลียวฉลาด ของสัตว์ยานิานมันก็เทียบกับมนุษย์แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษอะไรเล ย, เลยใช่ไหมฮะว่ามันจะไปดักซุ่มจับสัตว์กินสัตว์ตัวอื่นด้วยวิธีอย่างไรหรือมันจะไปขุดรูสร้างลังด้วยความแยบยลอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งมีคุณเป็นสิ่งสูงส่งเมื่อเทียบกับมันอ่านี่เป็นเรื่องร่วมขณะเรียกว่าสัมปยุต ป, ปั จ, จัย เรียกว่าเหตุปัจจัยแล้วก็เรียกชื่อปัจจัยอื่นผมไม่พูดถึงตัวอื่นขอเอาตัวแรกเป็นหลักพอการนี้ต่างขนาดต่างขนาดนะั้นมีหลายกระแสะปัจจัยด้วยกันคือถ้าเป็นกุศลเนี่ยลักษณะปัจจัยนั้นค่อนข้างจะน้อยตัวแต่อากุศลแล้วมันเป็นปัจจัยได้มากตัวเพราะเหตุจจว่าอาวิชากับอากุศลมันเป็นของมันเป็นหรืว่าเป็นธรรมที่เป็นธาตุเดียวกัน อกุศลธาตุมันเข้ากันได้กินกันได้สนิทเหมือนน้ํากับน้ํานมส่วนเอากุศลปุญญาพิสังขารมันเหมือนน้ากับน้ํามันดึงมันจะไปเทโนกันยังไงมันก็กินกันไม่สนิทมันสัมพันธ์กันบางส่วนสัมพันธ์กันบางแง่บางแง่มันสัมพันธ์กันไม่ได้อที่เรียกว่าอนันตระปัจจัยไอ้ปัจจัยหลังไม่พูดถึง อาเสวนาปัจจัยนี่คือตัวตั ว, ตวหลักๆที่ต้องการจะพูดถึงแล้วก็ปัจจุบันิสยาปัจจัยปัจจัยทั้งสามส่วนนี้เป็นอำนาจของอวิชชาที่มีผลต่ออากุศลแจิตหรืออกุศลกรรมหรืออากุศลสังขารผมพูดถึงปักจุบันิสยาปัจจัยเสียก่อนปัจจุบันิสยาปัจจัย คืออวิชชาที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้เกิดจิตบาปขึ้นเนี่ยโดยความเป็นปกตูนั้นก็อธิบายอย่างที่ได้พูดมาแล้วว่ามันเป็นแรงความคุ้นเคยความคุ้นเคยความเคยชินเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำบาปจะทำด้วยวิธีใดด้วยปลาลบอย่างไรก็ตามนะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่คนที่ไม่รู้อริยสัจสี่แล้วเนี่ย ย่อมไอ้ความไม่รู้นั้นย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้คนนึกคิดไปอย่างไม่รู้เหมือนกบที่อยู่ในกะลาครอบจะนึกว่าฉเฉลียวฉลาดอย่างไรอย่างไรก็เป็นอาการของคนจิตเป็นบาปนึกมันก็คือไม่ฉลาดอยู่นั่นเองคล้ายๆว่าถ้าพูดอย่างภาษาเราล็อกโลเขาบอกว่าเป็นความฉลาดแกมโกงที่อยู่ในครอบงามของความโง่ฉลาดแกมโกงในอยู่ในครอบของความโง่ครอบงามของความโง่ ที่ที่เคยพูดบ่อยๆมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความโง่อะนี่แต่เจ้าตัวนึกว่าฉลาดเป็นอาการของความโง่เขลาอย่างหนึ่งทั้งขณะนั้นก็โง่ด้วยแล้วก็เหตุที่ทำให้ เ, เกิดพฤติกรรมด้วยอาการเหมือนฉลาดนั้นก็เป็นความโง่เขลาไม่รู้อริยศัยสตร์เวยถึงทำอย่างนั้นเมื่อไปรู้อริยศาสตร์เข้าก็จะมาปราบลบถึงตัวเอง ด้วยความรู้อ๋อเราเนี่ยงโง่ทั้งตัวเหตุให้เกิดการกระทำก็โง่ตัวที่เป็นการกระทำด้วยความคิดอา่านต่างๆก็โง่อ่นนี้เราจะได้พบว่าผู้ที่มาสารภาพกับพระพุทธเจ้าอย่างในสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีเยอะแยะไปถึงความผิดพลาดของตัวเองบางทีก็หลัดหลัดนั่นเองอย่างพระองคุลิมานนี่นะที่ตาฆ่าคนแล้วก็เมื่อมาได้พบธรรมะเข้า ก็มาแตรละภาพหรือคนอื่นๆที่ไปทําความผิดทางความชั่วมาก่อนแล้วพอมาบรรลุธรรมเห็นเขาก็มาบางทีก็มาขอสมาบุญเจา้าว่าข้าพเจ้าเป็นคนโง่ข้าพระองค์เป็นคนหลงถึงความเป็นผู้หลงแล้วโง่แล้วไม่รู้ตัวเลยบัดนี้นะ่ะได้รับธรรมะที่พระองค์กระทําจักสูงให้สว่างขอพระองค์จงทรงอดโทษ แก่ข้าพระองค์พูดหลงผูกกระทำบาปแล้วเนี่ยคือบาปนั้นทํากับคนอื่นก็ขอโทษแล้วก็บางทีก็มาทํากับพระองค์ก็ขอโทษทีนี้ถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยก็พอเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าบางทีไปขอโทษเนี่ยตีลูกทําความผิดแล้วไม่รู้ตัวแล้วตอนหลังไปได้ธรรมะเข้าอฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ไปกราบขอโทษคนที่ตัวเองร่วงเกินเราเองแล้วขอโทษบ่อยๆครับขอโทษเจ้ากรรมในเวรเงี้ยขอโทษ เออว่าเราแมาไม่น่าเลยใช่มะนึกกับตัวเองไม่น่าเลยไม่น่าไปทำได้ไปทำได้ยังไงถ้ารู้อย่างนี้ไม่ทำเด็ดขาดแต่ตอนทำาน่ยนี่ทำไมทาไมไม่รู้ล่ะก็บอกว่าไม่รู้ทีถึงทำไอ้พอมารู้มันทำไปแล้วก็ไอ้ใหม่ก็ไม่ทำเนี่ยเราอันนี้แสดงถึงไอระดับของการคืนกลายอวิชชาในระดับ พื้นๆนะหรือเป็นเรื่องพื้นๆอย่างที่เราพอจะรู้สึกได้ที้ถ้าคนเขารู้แจ้งอริยสัจสีเนี่ยคงจะมองตัวเองด้วยความสมเพศอย่างไม่มีส่วนเหลือในพฤติกรรมทุกอย่างนะไออกุศลนี่ก็คงจะแหมไม่รู้จะว่างไงสมเพศยังบอกไม่ถูกแม้แต่ที่เป็นบุญก็สมเพศเออทําไมเราเนี่ย เ, เรานึกเราเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนชอบทําบุญเอาหน้า ดีนี้เราก็มานั่งในงสมเพศใช่ไหมเอ๊เราไม่น่าไม่น่าไปทำอะไรที่มนอษยจาดแกะใส่ความนึกคิดของหมู่บัณฑิตเข้ามึงก็เปลี่ยนความรู้สึกถอยกลับเป็นเป็นชั้นๆไปอย่างนี้นี่อาวิชาที่ทำให้เกิดอาคุศลในส่วนที่เรียกว่าอาเสวนาปัจจัยนี่มันเป็นเรื่องลึกทั้งนั้นนะผมก็รู้สึกว่าลำบากใจเหมือนกันถ้าจะพูด ขยายความเยอะเนี่ยต้องพากลความกันมองดูแล้วเนี่ยกว่าจะหลุดไปแต่ละเปลาะแต่ละเปราะนี่เป็นเดือนหับเป็นเดือนก็เลยเลือกพูดซะเป็นอย่างคร่าวๆแล้วก็ผ่านไปอย่างคร่าวๆแล้วก็คงจะต้องมีการพูดจาซ้ํากันเป็นเป็นกรณีกรณีในโอกาสข้างหน้าต่อไป อาเสวนาปัจจัยคืออะไระพูดได้ว่าอกุศลเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยหรือกุศลเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปลักษณะดวงต่อดวงนะเป็นเชยังชาวนาเนี่ยบางทีเห็นยังชาวนาจิตสาหรับคนที่ฟังมาแล้วชาวนะดวงที่หนึ่งดวงที่สงดวงที่สามดวงที่สี่ดวงที่หดวงที่หกดวงที่เจ็ดแต่ละดวงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาเสวนาปัจจัยให้แก่กันแก่กัน อาเซวนาแปลว่าส่องเสรถ้าเป็นอากุศลและจิตก็เป็นอาเสวนะฝ่ายอากุศลให้แก่การแก่การแก่กันถ้าเป็นกุศลก็เป็นอาเสวนาปัจัยแก่กุศลให้แก่การแก่กันแก่กันเรียกว่าส่องเสรซึ่งหมายก็ว่าการทําต่อเนื่องเนี on, next, ่ยเขาเรียกว่าส่องเสรอย่างเช่นเรามาเรียนธรรมะต่อเนื่องเรียกว่าส่องเสร็ไปคบใครต่อเนื่องเรียกว่าเสร็จสร้งเสร การทำต่อเนื่องหรือการสร้างเสบ จ, จึงมีผลไงมีผลต่อผลได้ที่เป็นดีและเป็นเลวเวลาเราพูดถึงการส่องเสบในภา ษ, าษาธรรมดาว่าสรงเสพบัณฑิตไม่ส่องเสบคนพานอย่างนี้นะเราพูดในทางกายภาพแต่ว่าสภาว่าจริงๆนไะอ้การส่องเสพทางกายภาพมันไม่มีผลจริงๆ แต่ตัวสร้างเสรที่ทําให้เกิดผลเกิดพลังจริงๆนั้นเป็นเรื่องของการสร้างเสรทางจิตอ่าผมยกตัวอย่างว่าเราเอาศพสองศพมานอนคู่กันศพหนึ่งเฉลี่ฉลาดมากศพหนึ่งรักตอนจะยังมีชีวิตเนี่ยรักที่จะฉลาดอ่าเอางี้ก็แล้วกันว่าเราชอบเรียนธรรมะมีนักปราชญ์ทางศาสนาคนหนึ่งรู้ธรรมะดีตอนยังไม่ตายแล้วก็เคยชื่นชมเลื่อมใส ในความรู้ของท่านมาก่อนเสร็จแล้วเราก็ตาย อ, จอจาจารย์ตุนั้นก็ตายแล้วเราก็สั่งลูกสั่งหลานว่าขอให้เอาศพเราไปฝังใกล้ๆหลุมศพท่านผู้นี้เพื่อจะได้เฉลียฉลาดในลักษณะว่าอยู่ใกล้บัณฑิตคบบัณฑิตถามว่าเราจะฉลาดขึ้นไหมไม่ฉลาดนี่นี่ยกกรณีตายนี่ถ้าศมุป์ว่าไม่ตาย คนที่อยู่ใกล้วัดพระพุทธเจ้าฉลาดหมดทุกคนไหมไม่ฉลาดเดลฉานกระรอกกระแตเช่นพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเวโรวันอันเป็นสถานที่ให้เหยกกื่อแก่กระแต่ที่กระแตชุมกระแตได้อะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างไม่ได้ได้ไหมัม้งแต่สติปัญญาทั้งที่อยู่ใกล้คิดอาจจะไปปีนกุฏิพระพุทธเจ้า ใกล้ชิดยิ่งกว่าคนเป็นจํานวนมากนานๆไปตีแต่ทําไมไม่ได้ทั้งที่ไม่ยังมีจิตไม่ตายแต่จิตนั้นไม่ได้ส่องเสพนะเรียกว่าจิตนั้นไม่ได้ส่องเสพทีนี้เอามาพูดถึงว่าไอ้จิตที่มันเป็นจิตส่องเสพเนี่ยจะต้องเป็นจิตประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นอุดหนุนกันเอาพูดซะให้มันเข้าที่ไปเลยนะ ตีวงกว้างมากเดี๋ยวไม่ได้เ้าทีแต่ว่าชาวอากุศลชาววนะดวงที่หนึ่งมีอวิชาอยู่ใช่ไ้ยใช่ไม่ใช่อากุศลชาววนะดวงที่สองเป็นอากุศลจะเป็นฝ่ายโลภะฝ่ายโทสะฝ่ายโมหะก็ตาในกรณีนี้นะท่านว่าอาวิชาในอากุศลชาวณนดวงที่หนึ่งเป็นอาเสวนะปัจจัยแก่อากุศลชาววนะดวงที่สอง โดยความเป็นอาเสวนาปัจจัยแล้ว ม, มันหมายความยังไงเราเรียนเราฟังธรรมะเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นปัใจจัยในทางส่องเสพแก่วันนี้ในทางกายภาพเราฟังธรรมะประโยคเมื่อกี้เป็นปัใจจัยในทางส่องเสพอย่างหยาบแก่ประโยคหลัง ขณะจิตแรกฟังธรรมะเป็นอาเสวนาปัจใจในทางสภาวะแกขณะจิตหลังใช่ไหมฮะแลราการเสพธรรมะด้วยขณะจิตหนึ่งมาถึงขณะจิตหนึ่งมันมีผลให้เราโง่หรือฉลาดฉลาดขึ้นเราทำบุญถ้าเป็นจิตบุญด้วยกนนีอื่นก็มีผลทำให้จิตเราเป็นบุญมากขึ้นดีขึ้นทีนี้อาวิชาในขณะจิตก่อน เป็นปัจจัยแก่ขนาดจิตหลังจะไปทำบาปด้วยวิธีใดก็ตามจิตลองเป็นเป็นอกุศลแล้วอวิชามันก็ครอบงำไทยทำให้ความเป็นบาปเที่ยวหลังๆนั้นกล้าแข็งมากยิ่งขึ้นนี่อวิชาเป็นปัจจัยแกอกุศลในลักษณะที่ผมได้บอกแล้วว่าพอกูณอย่างนี้พอกูณแบบส่องเสพเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นหนาแน่นมากยิ่งขึ้น นี่คืออาเสวนะปัจจัยผมขอแข็งใจพูดคี่เกดข้อเนี่ยเป็นอนันตระปัจจัยอาเสวนะปัจจัยนามุ่งในแง่ของการส่องเสพการพอกพูนแต่อนันตระปัจจัยเนี่ยหมายถึงจิตต่างขนาดกันไอ้อย่างชาวนะเมื่อกี้แหละ อากุศลขณะแรกกับอากุศลขณะหลังอากุศลขณะแรกึ่งมีอวิชชาหนุนให้เกิดอกุศลขณะหลังชื่อว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ขณะหลังโดยอนันตระปัจจัยท่านกล่าวในแง่ของการหนุนให้เกิดเป็นในแง่ของพลังฮนะเหมือนกับเป็นเป็นพลังงานกลหนุนให้ขณะจิตหลังเกิดแต่ไม่มุ่งค่าในแง่ของการพ่อคูณ แต่อเสวนาะปัจจัยเนี่ยมุ่งในแง่ของการเพิ่มพูนอวิชาเพิ่มพูนบาปอกสนต่างกันตรงนี้แต่ตรงนี้นะถ้ามันจะเป็นรายละเอียดมากไปก็ขอให้ปลดปล่อยสิอย่าไปถือเอาเป็นภาระว่าเอะเราไม่เห็นรู้เราไม่เห็นกระจ่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นปัจจัยลักษณะต่างขณะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารและผมจะงดเรื่องการอธิบายในเชิงละเอียดในเชิงหลักหนุนพระสูตรไว้แค่ตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้ลืมว่าเรากําลังเรียนพระสูตรกันมรรญายพระสูตรกันเพราะฉนั้นคราวหน้าเนี่ยผมก็จะนำเอาพระสูตร ส่วนหนึ่งนะที่กล่าวถึงความเกี่ยวข้องของพระพุทธเจ้ากับปฏิจจสมุปบาทธรรมมาอธิบายตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้เราพักไว้แล้วก็ถึงยังหวะก็ค่อยไปเลือกอธิบายในบางจุดกันใหม่ทันทีตั้งใจจะเรียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราเป็นขัน้นเป็นตอนท่านก็อาจจะผิดหวังหน่อยนะว่าเออทาไมไม่พูดรายละเอียด แต่ท่านที่กำลังรู้สึก ม, มึนว่าชักละเอียดมากไปแล้วท่านก็คงจะชื่นใจขึ้นนิดหนึ่งก็เลยขอเอาใจทั้งสองฝ่ายคนละครึ่งกันแล้วกันอ่าข้างหน้าก็จะเป็นจะพูดวิจารเรื่องที่เราเคยได้ยินพระเจ้าเมื่อ ต, ตรัสรู้แล้วมีอยู่สัปดาห์หนึ่งท่านเสด็จไป สวยวิมติสุขแล้วก็พิจรารณาปฏิจารปฏิจารเนเกี่ยวพระพุทธเจ้าก่อนตัสรูุรื่นหลังตสัสศลุนะแล้วพระพุทธเจ้าที่ตัศลุทำเนี่ยท่านตัศลุด้วยวิปัสนาภูมิข้อไหน อ, อันนี้จะพูดถึงตรงนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่จะเป็นแง่มุมหนึ่งที่เกี่ยวกับปฏิจจาและผูกพันกับประสูตรในลําดับนั้นวันนี้พอสมควรแก่เวลานะครับขอหยุดติดสาหรับวันนี้เพียงเท่านี้ ขอเชิญพวกเราร่วมกันอธิษฐานจิตและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาขอให้พวกเราได้สงบจิตตั้งจิตให้สงบทำจิตให้ปล่อยวางว่างจากนิวรณไม่ว่าจะเป็นการประชันธานิวรณคือความกำนัินดีในอารมณ์ที่เป็นอนาคตอยู่ในขณะนี้ถ้าจะพึงมี ก็จงปล่อยวางทมใจให้สงบระ ง, งับพยาบาทนิวรณความหงุดหงิดไม่ชอบใจด้วยประการใดๆเราขอให้สลัดออกทาใจสงบระ ง, งับทีนะมิทะความงงเหงาเฮานอนอุดทัจจะกกุกุดจะความคิดฟุ้งซ่านและลำคาญใจความลังเลสงสัยซึ่งเป็น วิจิิจานิวร์ขอให้ปลอดให้หายไปจากดวงจิตของเราในขณะนี้ให้ได้เพื่อว่าเมื่อจิตที่พ่องใสนั้นย่อมควรแก่การโน้มไปน้อมไ ป, มไปเพื่อความเป็นกุศลอื่นๆที่จะพึงเกิดขึ้นจะพึงทำให้ปรากฏขึ้นและเป็นผลสำเร็จได้ดังหวัง ขอให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงฉิตอันเป็นกุศลและเจตนาเป็นสัจจาธิฐานคือเป็นความจริงด้วยเป็นกุศลด้วยและใช้เป็นเครื่องอธิฐานด้วยอันกำหนดเบื้องต้นใกล้ชิดที่สุดก็คือกุศลที่เราได้สดับตักฟังธรรม ตลอดระยะเวลาต่อเนื่องกันมาสองชั่วโมงเสร็จและวกุศลอื่นที่เหลือที่ได้ทำก่อนหน้านี้บุญกิยาวัตถุทั้งสิบประการที่นึกออกได้ชัดเจนก็ตามนึกออกได้ไม่ชัดเจนหรือแม้ที่นึกไม่ออกได้ก็ตามแต่เราก็ได้ทำแล้วเป็นบุญที่สำเร็จแล้วเป็นประโยชน์ แก่การแผ่ส่วนกุศลและการอธิษฐานแล้วเช่นเดียวกันบุญที่ได้ทำโดยส่วนตัวหรือร่วมกับบุคคลอื่นทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์ขอให้เราได้อธิษฐานร่วมกันรวมกันในครั้งนี้ว่าด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นจงเป็นที่อาศัยให้ข้าพเจ้าผู้อธิษฐานจิตอยู่ จงได้สำเร็จสิ่งที่ต้องการปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าจงสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่เครื่องอย่างชิดไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่ที่อาศัยรายารักษาโรคเครื่องนุง่งห่มขอจงปรากฏแก่ข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์ประณีตละเอียด มีปริมาณมากเพียงพอทั้งที่ขบัเจ้าจะพึงเสไีไปเองและเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นใช้เป็นเครื่องมือในการทำกุศลแก่เพื่อนร่วมศาสนาเพื่อนร่วมโลกได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไม่หมดสิน้นและขบัตเจ้าขอ แอ่เป็นกุศลแก่สัตว์อื่นด้วยที่กำลังรอรับส่วนกุศลจากข้าพเจ้าอยู่ก็ตามหรือที่อยู่ไกลจนมาไม่ได้แต่ก็ขอให้รับทราบด้วยเช่นเดียวกันขอให้ท่านจงได้สำเร็จจงได้ถึงพร้อมด้วยปัจจัยสีดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวอธิษฐาน แก่ข้าพเจ้าแล้วนี้เช่นเดียวกันและขอให้ข้าพเจ้าจงมีอุบา hti ที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความกระชุมกระชวยกระฉับกระเฉงมีความเบาวความอ่อนความควรอยู่เสมอเป็นปกติทั้งในทางร่างกายและจิตใจมีความพราสุกอยู่เป็นปกติและ ไม่มีความมัวเมาหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นและขอให้สัตว์เหล่าอื่นก็จงได้รับอานิสง์ได้รับผลบุญและถึงพร้อมด้วยอุปทิสมบัติเช่นกับที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าได้เช่นกับที่ข้าพเจ้าหวังมีหวังได้หวังเป็นเช่นเดียวกันขอให้ ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีกุศลธรรมอันเจริญไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขอจงจเจริญแก่ข้าพเจ้าอย่างไม่เสื่อมถอยขอจงจเจริญโดยครบสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าอย่างไม่ขาดเกินและขอให้ข้าพเจ้าจงได้ที่พึ่งด้วยธรรมเหล่านั้น จงถึงที่สุดแห่งทุกถึงความสมบูรณ์สุดยอดแห่งสุขด้วยธรรมเหล่านั้นโดยเร็วลันและขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอนุโมทนากุศลที่พระเจ้าแผ่ให้และเมื่ออนุโมทนาส่นกุศลแล้วขอให้ท่านจงได้เจริญในคุณธรรมดังกล่าวมาโดยทุกท่านทุกประการสัพเพสัตตา อเวลาอัพยาปัจาอะนีขาสุขีอัตานังปาริหารันตุกขอิดประชุมวันนี้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอเรียนให้ทราบล่วงหน้านิดนะครว่าสำหรับการบรรยายของผมเนี่ยก็คงจะพูดได้ถึงสิ้นเดือนมีนาแล้วก็ในระหว่างนั้นเมษาพฤษภาจะได้เชิญนิมนต์ท่านผู้อื่น มาบรรยายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเนี่ยก็คงไม่ใช่เพียงเพียงเพียงเพีที่จาพูดการตัดทับก็พูดกันไปเรื่องไป็นราวแหละจนถึงเดือนมิถุนา ย, ยนผมก็คงจะมามาต่อที่ที่นี่ที่นี่ด้วยที่นี่ก็คงจะมีหนึ่งก็มีอาจารย์จำนงนะท่านจะคงจะมาพูด ในช่วงหลังเรื่องอธรรมบทแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยก็จะนิมนต์อาจจะเป็นพระตอนนึกว่าอาจจะเป็นเป็นพระที่กรุงเทพนี้ที่มีความรู้ความสามารถหรืออาจจะเป็นท่านเหลียวมาสลับด้วย <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่เป็นที่ตกลงแน่นอนสำหรับกรณีนี้ก็เรียนให้ทราบเพื่อจะได้ มาติดตามกันต่อไปอผมก็ไปจาริกขึ้นผมตามทางพวกเราคงจะไปไ ป, ไปมามาเป็นจังหวัดจังหวัดแต่ก็จะไม่ไม่ทอดทิ้งไปเลยจนกว่าบัตะบ่าจะแก่กล้าเห็นว่าการมาพูดธรรมะไม่คุ้มไม่คุ้มค่าก็อาจจะไปเลยนะไปหาสิ่งที่มันคุ้มค่ากว่า ก็จะรับสะด้รับไว้นะฮะแล้วก็จะไปปรึกษากับทั้งฝ่ายจาัด ก, การให้แน่นอนอีก